และเพื่อนภิกษุ ส, สมณีตั้งใจฟังกันญาณโยมที่เดินทางมาจากที่ทางอัมพเชียงคาร <c oughs> ก็มีคุมคิดว่าจะมาสั่งธรรมะหรือมาปฏิบัติธรรมะแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับที่นี่ก็มีคนหลายจังหวัด หลายอำเภอที่มาปฏิบัติที่นี่จึงไม่ได้พูดอย่างที่ภาษาเมืองเลยที่บ้านของเราคือมีคนมาทางสงขาโซลาศหรือจังหวัดอื่นๆทางแถวละครพนมสกลนครก็มีอยู่ที่นี้จึงพูดภาษาเมืองเลยแล้วไม่ค่อยรู้จึงได้พูดภาษาที่ให้คนสัง่งโทรไปรู้ ยังคนภาคกลางนี้พูดภาษาเมืองเลยสั่งไม่ได้ไม่รู้เรื่องจริงๆบางคนเจตะโกนขึ้นมาสั่งไม่ออกว่าอย่างนั้นดังนั้นวันนี้ก็ต้องพูดให้ผู้ฟังทั่วไปเอาไปพิจารณาเองสมัยนี้เราทำบุญกันมากแต่ว่า ความทุกข์ก็ยิ่งยิ่งมีมากผู้สอนเดี๋ยวนี้สอนให้เอาบุญไม่เหมือน ก, นกันกับสมัยครั้งพุทธกาลครั้งพุทธกาลนั้นสอนให้คนรู้จักทุกถึงที่สุดของทุกแลกว้วก็ทำลายทุกออกจากทุกได้ท่านสอนอย่างนั้นไม่ได้สอนเหมือนอย่างผู้สอนทุกวันนี้ทุกวันนี้ต้องสอนกันให้เอาบุญ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 ทำบุญวันเกิดกันแต่รู้ไหมว่าทำบุญต่ออายุทำอย่างไรทำบุญวันเกิดนั้นทำอย่างไรอันนี้เพียงเห็นเขาพูดก็พูดไปเห็นเขาทำก็ทำไปแต่หลักความจริงอย่างแท้จริงนั้นไม่ค่อยรู้เมื่อไม่รู้ประโยชน์นั้นมันก็ไม่ได้สมหวัง สมมติให้ญาติโยมและเพื่อนทิกสุสมเณรฟังกันเดี๋ยวนี้คนทุกคนกําลังหิวหิวน้ำเติมมันกำลังร้อนเดินทางไปเมื่อเห็นโรงงานหรือโรงน้ำแข็งล้วก็เข้าไปกินน้ำแข็งเมื่อกินน้ำแข็งเข้าไปมันก็เย็นเพียงเล็กเล็กไม่ น, อน้อยนานๆามา น, น้ำแข็งนั <c> ้น <oughs> มันก็ทําทิศขึ้นมามันก็ร้อนขึ้นมาอีกแล้วอันทําบุญนั่นก็เช่นเดียวกันกับกินน้ําแข็งนั่นแหละการทําบุญนั้นดีแล้วแต่เราไม่รู้ว่าบุญนั้นคืออะไรอยู่ที่ไหนไม่เคยรู้ดังนั้นมีบทประพันธ์บทหนึ่งคนโบราณท่านสอนเอาไว้เป็นการทําบุญต่ออายุหรือทําบุญสืบ พุทธศาสนาหรือทำบุญวันเกิดอะไรก็ไม่สราแล้วคนก็เลยเอาไปทากันท่านล่ะวันเอ่ยวันนี้เป็นวันสำคัญกวันไหนไหนวันพรุ่งนี้วันมะลือนี้คืออะไรก็ยังไม่สำคัญเท่ากับวันนี้ขอให้พวกเรามีความสุขสนุกสนานสําลานสี เลือกกาา็งามงามกรดเพลาะขอให้พวกเรามีความสุขด้วยศิลด้วยธรรมพระบารามีอย่างนี้เถิดก็อย่างนั้นบันนี้คนก็เลยไปสร้างสมอบรมบารามีเอาไว้อะอย่างนั้นคําว่าบารามีนี่เราก็ไม่ค่อยรู้เมื่อไม่รู้เราจะทําอย่างไรมันก็ทําไปตามทิศทิ ทิฏฐิเขาเรียกว่าวมเห็นเมื่อเห็นผิดเขาเรียกเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อเห็นถูกต้องเขาก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิแล้วใครเล่าเป็นสัมมาทิฏฐิทุกวันนี้ใครเล่าเป็นมิจฉาทิฏฐิทุกวันนี้ไม่มีใครที่ไหนจะมาตัดสินให้เราได้ดังนั้น คำว่า ศ, าศาสนานี่มีทั่วไปบางคนก็ไปติดอวัตถุบางคนก็เลยไม่รู้ว่าศาสนาคืออะไรบางคนก็รู้แต่คิดแล้วบุคคลที่รู้มีจำนวนน้อยส่วนบุคคลที่ไม่รู้นั้นมีจำนวนมากเราจึงไปติดอวัตถุเมื่อไปติดอวัตถุแล้วก็เรียกว่ายึดมั่นถือมั่น ในวัตถุสิ่งนั้นเมื่อพูดตามหลักพุทธศาสนาจริงๆแล้วท่านเรียกว่าขู่ป า, าัดเมื่อพูดถึงตรงนี้ก็เลยจะเล่าประวัติที่เจ้าสายสิทธัตถากุ ม, มารได้ทำมาเรื่องการทำบุญให้ทานไม่ต้องพูดก็ได้เพราะว่าทุกคนทำเป็นแล้ว เราจะนำมาพูดให้ฟังเพียงเรื่องธรรมกรมาา ร, รมฐานเจ้าตายชิกถะคุมาณเมื่อออกไปบวชก็ไปศึกษาเล่าเรียนกับอาจารย์คืออาลาดาบทและอุทะกาตาบุตรสองอาจารย์นี้อาจารย์คนแรกปรากฏที่พ่อแม่หรือครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่าศรรึกษา ศึกษากับอาจารย์คนแรกนั้นได้สมาบัติเจตสมาบัติเจตเป็นเพียงคำพูดให้กังฟังเท่านั้นเข <c oughs> าเรียกว่าลูกสารสี่อะลูกสารสามเข้าสารออกสารได้คล่องแพร่ว่วองไวเหมือนกันกับอาจารย์ทุกแง่ทุก ม, มุมว่าอย่างนั้น <c oughs> เมื่อเป็นเช่นนั้นถามอาจารย์อาจารย์ก็หมดกมรู้ แต่เมื่ออาจารย์หมดคมรู้และมาวัดตัวเองนัดที่ตรงไหนก็ยุ่กับกองไฟมันก็ต้องร้อนเพราะมีพวกปัญจวัคคีทั้งห้าติดตามไปให้คงอุปถรรัมหรือว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขหวังเอานิพพานกับเจ้าสายจิตตธรรมนั่นเองแต่บางทีพวกนั่นเห็นทำ เ้าทายพิธาอุ ม, มาลเห็นพอใจก็มีไม่พอใจก็มีบางทีพวกนั้นพูดอะไรต่างๆได้ยินกับหูพอใจก็มีไม่พอใจก็มีนี่แสดงว่าทิฏฐิแต่คนยุคนั้นก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเช่นเดียวกันแต่พระองค์เห็นว่านี้ไม่ใช่เป็นทางที่ดับทุกข์แล้วอลาจากอาจารย์นั้นไป ศึกษาต่ออาจารย์คนที่สองได้สมาบัติแปดสมาบัติแปดนั้นเขาเรียกว่าลูปสารสีอาลูประสารสีนี่ใครก็รู้เป็นเพียงภาษาคำพูดเท่านั้นเรียกว่าิทิฐิเหมือนกันแล้วใครเล่าที่ว่าเป็นมิจฉาทิฐิพวกทั้งสองคนนั้นก็เรียกเป็นสัมมาทิฐิเหมือนกันว่าเรามีความรู้ ไท้ไม่สามารถเท่าเทียมเราได้ว่าอย่างไรเมื่อพระองค์ศึกษาอยู่ที่ตรงนั้นถามอาจารย์นะหมดความรู้แล้วไม่มีความรู้จะมาสอนอีกแล้วว่าอย่างส่วนให้เจ้าสายสิทธัถกษาษาุ ม, มารประกาศคำพูดคำสอนที่เรียนจากเราไปเถอดพระองค์ก็ไม่ขอพระไทยเห็นว่าทางนี้ไม่ใส่ทางเสียแล้ว มันดับพุกไม่ได้พระองค์ก็เลยหลาเพราะว่า people, or politics, or ความดีใจเสียใจหรือพอใจไม่พอใจพูดง่ายๆก็เรียกว่าความโกรธความโลภความหลงนั้นยังมีอยู่ว่าอย่างนั้นก็ได้ก็เลยหนีมานีมาคนเดียวในสมัยนั้นเนี่ยว่า เจ้าตายศิษฐากุมมานั่นแหละเป็นหัวหน้านำพวกปัญจาวัคคีตั้งห้าเดินทางหนีเมื่อเดินทางหนีก็คิดถึงวิธีการที่จะทำหาวิธีพ้นทุกข์นั่นแหละไม่ต้องสอนกันเรื่องเอาบุญเสียแล้วข่าวนี้เพราะว่าทุกคนก็เคยทำมาแล้วก็เลยมาทำทุกข์กากิเยาว่าอดข้าว ไม่กินข้าวอดน้ำไม่กินน้ำอั้นลมหายใจไม่พูดไม่คุยกับใครทั้งหมดเลยว่าอยงนั้นอันนี้แสดงว่าการรักษาศีลข้าวก็ไม่กินอาหารไม่ต้องพูดเลยน้ำก็ไม่กินไม่หายใจเพราะกลัวตัดร้ายจะมีวิญญาณอะไรเข้าไปทางจมูก อะไรกีบประทะและรักษาสินดังนั้นคนไทยถือพุทธศาสนาเอาเพียงแต่ว่าให้ทานรักษาสินอันนี้ก็ยังไม่ใส่เป็นทางตัดรู้ไม่ใส่ทางคนพกุกทำขนาดนั้นแล้วยังไม่รู้อะไรเลยอันนี้เขาเรียกว่าทิฏฐิคือความเห็นของตัวเองเมื่อคิดยังไงก็ทำไปตามอารมณ์ความคิดนั่นแหละ เมื่อทำถึงที่สุดแล้วก็ไม่ปรากฏอะไรขึ้นมาแต่ความทุกข์ก็ยังมีอยู่ความทุกข์ที่พระองค์อมารัจเอาไว้ไนั้นว่าคือความพอใจและไม่พอใจดีใจเสียใจนี่แหละเห็นพวกปัญจวัคีทั้งห้าทำพอใจก็มีไม่พอใจก็มีบางทีได้ยินพวกปัญจวคีทั้งห้าพูดคุยกัน พอใจก็มีไม่พอใจก็มีนี่แสดงว่ายังไม่เป็นหางพ้นพุกเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็เลยขายขว่มเพียรพูดภาษาบ้านของเราเรียกว่ากินมะขามต้อมมะสมมอถ้าพูดให้เป็นภาษาสํานวนก็เรียกจกินผลไม้ว่าอย่างนั้นแหละเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นพวกปัญจวคีทั้งห้า ก็เห็นว่าคงจะไม่ได้ตัดสู้เสีจแล้ววางความเพียรละเลิกความเพียเรเวียนมามากๆแล้วไรเงี้ยพวกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็เลยเลิกหนีจากพระองค์ไปขาวนี้ก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจา้าเป็นคนธรรมดาสามัญอย่างที่พวกเราเรานั่งกันอยู่ในขณะนี้แหละพระองค์ก็เดินไปคนเดียว เดินไปกินมากขามต้อมมากสมมอไปนี่เรียกว่าความสัดกายสงัดวาจาแต่ใจนั้นยังไม่สงบสงัดอะไรเลยนี่แสดงว่าไม่ใช่เป็นทางตัดสรู้ญาติโยมผู้ที่เคยบวชเรียนเขียนอ่านนั้นซึกออกไปแล้วก็ เ, เดี๋ยวเป็นคารวาสเป็นโยมอย่างภาะสงฆ์องค์เนน ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ก็เรียกว่าเป็นพระสงฆ์โดยสมมติให้เราศึกษาสมมติให้ถูกต้องเมื่อเราศึกษาหลักพุทธศาสนาไม่รู้จักสมมุติแล้วเราจะไม่มีวันไม่มีเวลาที่จะเข้าใจหลักพุทธศาสนาอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเดินไปปรากฏ พ่อแม่หรือครูบาอาจารย์เราให้ฟังว่านางสุสดาเอาเข้าไปปวงสวงเทวดาแน่การไหว้วอนผีเทวดาก็มีก่อนแล้วสแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นมีมาก่อนทั้งหมดเลยอันนั้นไม่ได้เป็นพุทธศาสนาเป็นเพียงาศาสนาท่านั้นเองถ้าเราเป็นคนไทยแท้มีอิสระแท้ ไม่อยู่ในความคุ้มครองของความผิดความงมงายแล้วต้องเป็นอิสระคำว่าไทยไทยนี่หมายถึงเป็นอิสระเราต้องรู้จักอย่างนั้นถ้าหากเราไม่รู้จักอย่างนั้นเราก็ไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเมื่อเป็นเช่นนั้น กินข้าวนางสุจ ด, ดาแล้วก็เลยจับเอ า, าธาตุหรือขันอันนั้นแหละไปอธิษฐานตามริมแม่น้ําะไรอย่างนั้นถ้าหากข้าพระเจ้าจะได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆข้ากิเลตายขายกิเลสดุจจริงๆแล้วข้าพระเจ้าวางาธาตุหรือขันใบนี้ลงไปแม่น้มนี้ให้าธาตุหรือขันใบนี้ทวนกระแสของน้ำ ขึ้นไปถึงต้นน้ำว่ายังไงตรงกันข้ามถ้าหาฆ่าพรเจ้าจะาฆ่ากิเลสไม่ตายทายกิเลสไม่ลุดดับทุกข์ไม่ได้วาง่าตึขันใบนี้ให้มันลอยตปตามกระแสของน้ําำว่างเมื่อที่เจรนาแล้วคนก็เลยไปติดตําลาหัวฝังเข้าไปในตาําลานั่นแหละแล้วใครที่ไหน จะมาทวนกระแสะของแม่น้ำที่มันไหลนั่นได้ไม่มีเลยถ้าหากญาติโยมเข้าใจอย่างนั้นจำพวกที่อยู่อำเภอเสียงคานหรือจังหวัดเลยก็เช่นเดียวกันกลับคืนไปบ้านต้องเอาขันหรือทาดนั่นแหละปะอธิฐานถ้าหากพวกยู่เสียงคานก็ไปล้โขงถ้าพวกที่ยู่จังหวัดเลยต้องไปลิมแม่น้าเลยไปถึงแม่น้าเลย แต่อธิษฐาน่าข้าพเจ้าจะตายจริงๆเนี่ยลอ็อกคาบไม่ได้จริงๆนะให้ขันใบนี้ทวนกระแสของน้ำมันี้ถ้าข้ะระเจ้าจะไม่ตายเมันเนี่ยไม่ตายจริงๆนะเนอะพูดหลงเมื่อกี้เนี่ยถ้าข้าพเจ้าจะตายจริงๆว่าอย่างนี้ก่อ น, นะถ้าข้าพเจ้าจะตายจริงๆตายจริงๆเนี่ยวางขันใบนี้มาให้มันทวนกระแสของ อ่น้ำมันบันนี้จะไม่ตายบันนี้จะไม่ตายจริงๆนะจะรอคาบได้เหมือนกับต้นเปืเนในบ้านเราต้นเปื่อยมันรอคาบได้วางขันหรือท่าอันนี้ลงไปให้มันไหลไปตามกระแสของน้ำนนะํำมันแต่รับรองว่าโนนั้นตายจริงๆแต่ขันนั้นทวนกระแสไม่ได้แต่มันก็ต้องไหลไปตามกระแสของน้ําอันนี้แสดงว่าพวกเราถือพุทธศาสนาไม่ได้ใช้สติปัญญา วิทยาศาสตร์เขาก้าวหน้าเดี๋ยวนี้พุทธศาสนาลาหลังแต่ความจริงพุทธศาสนาสอนก้าวหน้ากว่าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์าาสาสลาหลังของพุทธศาสนาอันนี้เมื่อมาพิจารณาตอนนี้แหละพระองค์ก็เลยขึ้นมาบำเพ็ญยุติยุติโยมโผว่าพระองค์เลยมาบำเพ็ญทางจิตไว้ พระ อ, องค์ก็เลยได้ตัดสู่เพราะการทำทางจิตใค่ล่ารู้ว่าการทำทางจิตน่าทำอย่างใรก็ไปทํามุนไปให้ทานไปรักษาศีลไปทํากรรมฐานกันอย่างนี้เมื่อไปทํากรรมฐานกันแล้วก็อยู่ในถ้าบ้างมองเห็นเลขบัตรเบอร์พูดคุยกับผีเทวดาบ้างอย่างนี้แต่ควัวทุกข์ดับไม่ได้ เมื่อดับทุกข์ไม่ได้ก็เลยเลิกละจากสิ่งเหล่านั้นเข้ามาใยบ้านส่วนญาติส่วนโ ย, ยมท่าเป็นพระสงฆ์ก็ตามเป็นใครๆก็ตามแหล่มาสร้างคุณดีกรมงานสร้างสมอบรมบารมีเอาไว้อนาคตคือตายแล้วศาสหน้าคุณจึงให้มันได้ตัดจะรู้ว่ายังไงอันนี้เป็นการเข้าใจของบุคคลผู้เช่นนั้น แต่ตัวของฉันเองก็เช่นเดียวกันข่าวนั้นไม่รู้นึกว่าตายแล้วแต่เกิดสวรรค์ตายแล้วไปตกนรกไม่รู้จริงๆเรื่องนี้จึงประกาศได้ว่าเราได้ศึกษาหลักพุทธศาสนาอย่างถูกต้องแล้วไม่ต้องงอนแนองนคอนแคนกับใครที่ไหนจะมีใครมาอยู่เบื้องหน้าและอยู่เบื้องหลังพูดว่า นั้นผิดแล้วเป็นมิจฉาทิฐิแล้วผูกของเขาแต่ว่ามันผิดของเราแต่เมื่อคนอื่นว่าผิดเราก็ยินดีว่าเราถูกต้องเพราะว่าเรารู้ทราบซึ้งมาจากจิตใจของเราไม่ต้องพึ่งใครที่ไหนพูดอย่างนี้ทีเดียวไม่ต้องพึ่งตำรับตาลาอีกเสัด้วยพึ่งอะไรที่ไหน ก็ประว่าเรารู้แจ้งรู้จริงไม่ใช่รู้จำไม่ใช่รู้จักการรู้จำรู้จักนั้นอันนั้นไม่ใช่เป็นความรู้ของเราเป็นความรู้ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนให้อันรู้แจ้งรู้จริงนี่รู้ด้วยสติปัญญาของเราเกิดขึ้นมาจากจิตสานึกหรือว่ามันสมองก็ได้ ดังนั้นญาติโยมที่เดินทางมาจากอำเภอเสียงคานหรือจังหวัดเลยหรือพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันพวกที่เดินทางมาจากทางจังหวัดสงขามาปฏิบัติธรรมที่นี่หรือนครศรีธรรมราชก็าตามทางอุบสลสกลนครพนมก็เช่นเดียวกันมาจากทางเสียงใหม่ก็าตามหรือมาจากกรุงเทพก็าตาม ที่พูดนี้พูดด้วยใจจริงเพราะว่าทุกคนควรจะรู้ได้เรื่องนี้เมื่อควรจะรู้ได้รู้ที่ตรงไหนก็เราศึกษาหลักสูตรนักธรรมสันตีเอาไว้วธรทมที่มีอุปกรมากสองอย่างเหมนันนึ่งสติความระลึกได้สองสมปาัญญความรู้ตัวสองข้อนี้พอแล้ว ใครรู้ว่าสติคมระลึกได้ระลึกอะไรที่ตรงไหนสัมปาชยนะวามรู้ตัวรู้อะไรที่ตรงไหนไม่รู้อันนี้แสดงว่าเราเรียนมาจากคนผู้สอนบุคคลผู้สอนไม่รู้ยลกจะไปสอนคนที่ไม่รู้ให้รู้เป็นไปได้ยากถ้าบุคคลที่รู้มาสอนบุคคลที่ไม่รู้อาจจะรู้ได้ ท่านจึงเปรียบเอาไว้ว่าดอกบัวที่พนน้ำแล้วคอยแสงพระอาทิตย์เมื่อแสงพระอาทิตย์สอดเข้ามาดอกบัวก็บานได้ท่านว่าอย่างนั้นอันดอกบัวที่บานได้อยู่ที่ไหนก็คือคนนั่นแหละเป็นดอกบัวแสงพระอาทิตย์ก็คือคำพูดของพระพุทธเจ้าบุคคลผู้ที่รู้รับรองได้นั่นแหละ มาสอนเนี่ยคนที่มีปัญญาก็สามารถที่จะรู้ในเดียวนั้นคนที่ไม่มีปัญญาต้องฟังเอาหลายหลายครั้งหลายหนนะเอาไปใจอย่างนี้เพราะพระ อ, องค์สอนเรื่องทุกข์แต่บางคนคนสมัยนี้ไปเข้าใจว่าทุกข์ไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีข้าวไม่มีของอันนั้นมันทุกข์เพราะความเกลียดค้านมันไม่ใช่เป็นทุกข์ในอิริยาบถ คำทุกอริยสัตว์นี้พระพุทธสอนเรื่องทุกจริงๆให้รู้จากสมุฐานของทุกทุกมาจากที่ไหนบางคนเกิดหลุดจากท้องแม่มาจนตายเน่าเข้าลงไม่เคยดูตัวเองจะรู้ได้ยังไงก็ไปทำบุญแต่รักษาศีลศีลมันทำประโยชน์อะไรได้ก็พระ อ, องค์ท่านสอนแล้ว่า ปัญญาความรอบรู้หรือสติคม ล, ลึกได้ท่านสอนอย่างนี้อันเรื่องศีลเรื่องนั้นมันมีมาก่อนมีมาก่อนให้ญาติโยมเข้าใจอย่างนี้ผู้ที่สนใจจริงๆมาที่นี้ถ้าไม่สนใจแล้วสั่งไปให้มันสนุกสนุกไปก็ดีเหมือนกันแต่เอาไปดับทุกข์ไม่ได้ถ้าองค์ท่านว่าสติคมละลึกได้ แต่ก่อนไม่เคยระลึกเลยเกิดมาจนได้มีอายุสามสิบกว่าปีไม่เคยระลึกได้เลยอย่างนั้นท่านก็ไม่รู้เกิดขึ้นมาแล้วมีคนอื่นพูดให้แปลว่าเกิดในป่าตายในป่าตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในป่าว่าอย่างนั้นคนก็เลยหัวฝังเข้าไปทิดนั้นอีกแล้วไม่เข้าใจว่าป่าคืออะไรป่าคือความทุกข์นั่นแหละ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 คือเรามาคอยดูความคิดแต่ตัวชีวิตไม่ต้องพูดถึงดูความคิดเสยๆทำเหมือนแมวคอยจ้องที่จะจับหนูนี่เองพอดีหนูออกมาแมวมันกะคุบอย่างแรงนะเองพอดีมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บทันทีความคิดก็เลยหยุดได้นี่นี่จริงๆอ๋อที่ตรงนี้เองมันทำให้เราทุกข์ มันไม่เกี่ยวข้องเรื่องการรักษาสินมันไม่เกี่ยวข้องเรื่องการทำบุญอันนั้นมันดีแล้วแต่เรามาพิจารณาถึงสมุิฐานควมทุกข์มทุกข์มันเกิดมาจากที่นี่พระองค์หรือใครก็ตามเนี่ยไม่รู้อันนี้วะพระองค์คือพระพุทธเจ้านั่นแหละได้ตัดสรู้เพราะการทำทางจิตว่าอย่างนั้น เราก็ลองมาทำดูเหมือนคำพูดของท่านลองดีอลองลองดูสิแต่บางคนไม่รู้ก็ต้องสอนวิธีให้นี่แหละบัด น, นี้เมื่อพระ อ, องค์รู้อย่างนี้ก็เลยรู้ถึงที่สุดของทุกที่สุดของทุกมาจากที่ไหนถ้าองค์ก็เล็งดูวเอสสตีความระลึกได้ท่านก่อระลึกถึงไปในขณะเมื่ออยู่ท้องมารดาผู้หญิงอาจจะรู้ดี แม่ตั้งท้องขึ้นมาเก้าเดือนสิบเดือนบางคนสิบเอ็ดเดือนจึงคลอดออกมาถ้าองค์ก็มองเข้าไปโอนในขณะที่เราอยู่ท้องแม่น่ะมันพุกอย่างสาหัสไปไหนมาไหนไม่ได้พิกคีงตีงโตแม่ท้องตีงขึ้นมาก็รู้ว่าตัวเองมีท้องตีงขึ้นมาจึในท้องหาทางออกไม่ได้ หาวิธีออกไม่ได้จนถึงคบกำหนดคอร์สออกมามันก็เป็นไปตามธรมรมชาติของมันเท่านั้นนี่พระองค์เี่ว่าระลึกได้จริงๆเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติยานอันไรอย่ายงนั้นแต่ว่าสมัยนี้พวกที่หัวถลําเข้าไปในตำานาก็าจื่อศาสตร์ได้มันผิด ก, กันกับผู้มีปัญญาจริงๆ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 ศึกษาหลักพุทธศาสนาทุกวันนี้คล้ายคล้ายกันกับตาบอดคำสาจงจริงจริงเรื่องนี้บัดนี้เมื่อคลอดออกมาแล้วก็บ้านของฉันเรี่ยวานอนแพรสองสลึงวะัสองสลึงมันไม่เป็นบาทเพียงห้าสิบตางพิกเคีงตีนโต ก, ก็ไม่ได้้องเอวเอวกอเวกอยู่ที่นั่นแหละมันห้องเพื่ออะไรมันตกใจมันสลดใจ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 แต่พุทธศาสนาดิไม่ปรากฏเอาความจริงมาพูดให้กันฟังพูดก็ต้องแบบไม่ผูกหรือเข้ารีบว่าอย่างก็ได้เดี๋ยวนี้ญาติโยมและเพื่อนทิกสุตมเนรท้ายท้ายคือเราไปกินข้าวรีบข้าวไม่มีไหนเอาเข้าวไม่มีในไปเพาะไปปลูกงั้นไม่มีวันไม่มีเวลาที่จะงอกมาได้จริงจริงเพราะข้าวไม่มีไหนแล้ว ถ้าหากเราเอาข้าวเม็ดอ้วนๆเต็มๆไปเพาะไปงอกงอกทุกเนตข้าวเจ้าก็งอกข้าวเหนียวก็งอกงอกเหมือนกันแต่เราเอาไปใช่ที่ซุ้มที่เย็นนะคันเอาไปใช้ที่มันไม่ซุ้มไม่เย็นบางทีอาจจ ะ, ะไม่งอกก็ได้ดังนั้นการศึกษาหลักพุทธศาสนา เช่นเดียวกันหรือถ้าสงองค์เนนก็ศึกษาได้เช่นเดียวกันคนไทยคนจีนคนฝรั่งอังกฤษถือศาสนาไหนนุ่งผ้าสีอะไรก็ศึกษาได้เช่นเดียวกันไม่ผิดกันเลยเพราะคนมันมีชีวิตกับใจตัวชีวิตนั้นไม่เคยรู้ว่าทุกตัวจิตใจกันรู้ทุกแต่ตัวจิตใจไม่รู้ว่าทุก ฟังตอนนี้ให้มันดีถ้าเราสนใจกันจริงๆก็ฟังให้มันเป็นเพราะว่าเวลาที่จะมาพูดให้ฟังนั้นยากนะเพราะว่าไม่ค่อยสบายวันนี้ก็เห็นว่าญาติโยมมามากเมารถมาสองคันมาบ่อยๆและจังหวัดเลยก็ทางอำเภอภู ก, กะดิ่งก็เมารถมาที่อำเภอไหนอำเภอ อันน้ำพองก็เคยเหมาลดมาจังหวัดสระคามหรือราชสีมาก็เคยเหมาลดมาเช่นเดียวกันมาหาฝังธรรมะเพราะว่าธรรมะที่พูดนี้ไม่ได้ยืมของใครไม่ได้จำเอาคำพูดของใครที่ไหนเลยเพราะว่าทุกคนต้องเป็นอย่างนี้มันมีกายกับใจกายนี้ไม่รู้อะไรเลยแต่อันรู้ว่าทุกวัสุขนั้นขือใจมันรู้แต่ตัวชีวิต อีกอย่างหนึง่งใจกับชิวิต ก, ก็เป็นคนละอันกันแล้วกายก็เป็นคนละส่วนกันแล้วนี่หลักพุทธศาสนาสอนความจริงให้กันฟังดังนั้นเราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เราก็พูดกันไปอย่างนั้นแหละสมัยนี้ศาาึกษาหลักพุทธศาสนาไม่คอยเข้าใจกันบนัญญิกคำทางเผยหรือเป็นคําประพันธ์ของคนบบราณ นึกคนที่มีปัญญาเขาพูดเอาไว้ว่าพระพุทธลูกเนี่ยพระพุทธลูกที่เราเห็นเนี่ยบางพระพุทธเจ้าว่าอย่างกันกำพีตัวหนังสือนั่นแหละบางพระธรรมผ้าเหลืองกับลูกสาวบ้านมีบางพระสง์เราไม่เห็นพระสงเพราะผ้าเหลืองลูกสาวบ้านโกนผมเราไปถืออันนั้นเป็นพระสง์นั่นก็เลยไม่รู้ดังนั้นหลักพุทธศาสนาจริงๆมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสมมติ แต่สมมุตินั้นมันมันก็จริงจริงโดยสมมุติมันไม่ได้จริงโดยปรมัดถ้าเราศึกษาให้รู้จักสมมุติจริงๆและปรมัดจริงจริงและอัถยาจริงๆแล้วก็อริยบัญญัติจริงจริงเราก็คนหนึ่งที่จะเป็นสาวกหรือเป็นสาวพุทธได้จริงๆ พูดกันอีกแง่นหนึ่งตัวของฉันนี่เองเป็นคนไทยเกิดเมืองไทยพ่อก็เป็นคนไทยเกิดเมืองไทยแม่ก็เป็นคนไทยเกิดเมืองไทยแต่ไม่รู้จักว่าไทยแท้อยู่ที่ไหนไม่รู้พ่อก็เป็นสาวพุทธแม่ก็เป็นสาวพุทธตัวเองเกิดมาก็เป็นสาวพุทธแต่ไม่รู้ว่าพุทธศาสนาคืออะไรอยู่ที่ไหน ไม่รู้ไม่รู้จริงๆเรื่องนี้ดังนั้นเมื่อรู้แล้วก็อยากให้คนที่ยังไม่รู้รู้ด้วยอันนี้เขาเรียกเมตตาหรือความรักว่าอย่างแต่คําว่าเมตตาแล้วก็เข้าใจกันไปอีกแง่หนึ่งและความรักมันก็ไปอีกแง่หนึ่งมันไม่เหมือนกันเมตตาหลักพุทธศาสนามันไปอีกอย่างหนึ่งความรักในหลักพุทธศาสนามันไปอีกแง่หนึ่ง เราไม่เข้าใจกันเรื่องนี้เมื่อไม่เข้าใจเรื่องนี้เราก็เลยไม่รู้เราไปเสื้อเอาคําบุคคลที่สอนว่าเราต้องทําบุญให้ทานรักษาศีลเพื่อกําจัดกิเลสกิเลสอยู่ที่ไหนรู้ไหมไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วจะทํำยังไงเหมือนกับขุดน้ําไม่ถูกสายขุดจนตายไม่ได้กินน้ําเลยเพราะมันขุดไม่ถูกสายน้ําก็ไม่ออกมาจริงๆ เหมือนกับเราไปกินข้าวผีข้าวไม่มีไหนข้าวผีเรียกว่าข้าวรีดข้าวไม่มีไหนจิ้จนตายและเป็นพิษร้ายอีกสด้วยจึงมข้าวผีจิงมข้าวไม่มีไนเน่ะตายจริงๆรนันเป็นอย่างนั้นบัดนี้มาทีนี้ต้องกินข้าวมีไนขุดน้ําให้ถูกสายขุดจริงๆงให้ทุกสายจริงจริงจข้าวให้มีไหนจริงจริงเราต้องเป็นคนคนหนึ่ง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 ขมหลงมันไม่มีไม่มีจริงๆมันมีมาจากที่ไหนเพราะเราไปเสื้อบุคคลสอนว่าทำบุญให้ฐานรักษาศีลเพื่อละข่มโกรธข่มโรคขมหลงอันนั้นคนไม่รู้สอนอย่างนั้นมันก็ต้องไม่รู้พระองค์พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสติควมระลึกได้สัมปาชญะข่มรู้ตัวถ้าเมื่อรู้ตัวอยู่แล้วข่วมโกรธ ขมโลภขมหลงมันก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วในขณะที่เราลืมตัวนั่นแหละขมโกรธขมโลภผมแลมันตกหน้าเอาเลยถ้าหากบวชมานานนานมีคุณค่าไม่อย่างนั้นไม่มีเลยรัด ล, ลองได้คนเกิดมานานนานอานอยุตั้งร้อยวันพันปีถ้ามีคมโกรธขมโลภคมหลงมีประโยชน์ไหมชีวิตบุคคลคนนัน้ไม่มีเลย อันนี้แสดงว่ามันไปตรงออกกับที่พระพุทธเจ้าทันว่าโมฆะบุรุษโมฆะสติชีวิตเป็นโมฆะเนี่ยท่านว่นาคยาันคว่าโมฆะนี่น่ากลัวจริงจริงน่ากลัวจริงจริงถ้าคนมีปัญญาและประัติใส่ไม่ไดาดชีวิตไม่มีราคาเลยบวชมานานคุณค่าการบวชก็ไม่มี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 มีคำคำหนึ่งที่เขาสอนเอาไว้เป็นคำบทปพันธ์เขาว่าเครื่องวัดของความเป็นไทยเครื่องวัดของความเป็นมนุษย์เครื่องวัดของความเป็นสาวพุทธอยู่ที่ตรงไหนเขาว่าเลือเกิดขึ้นมาแล้วศึกษาเล่าเรียนปอสีได้ปริยาโทรหรือปริยาเอศหรือบวชมาแล้วศึกษาหลักสูตรนักธรรมทันตีโทเอศ ได้มหาประเรียนอันนั้นเป็นเครื่องมัดของความเป็นไทยได้ไหมอันนั้นเป็นเครื่องมัดของความเป็นมนุษย์ได้ไหมอันนั้นเป็นเครื่องมัดของความเป็นสาวพุทธได้ไหมไม่ได้เนี่ยอันว่าอย่างนั้นทําไมจึงไม่ได้ผมเรียนรู้มาเลยมันไม่ได้เมื่อพูดถึงตอนนี้แล้วก็นึกได้ทันทีว่าพระพุทธเจ้าตัดกับพระวกักกะเลกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราตถาคต ผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นซือว่าไม่เห็นเระตาคดพระตาคตอยู่ที่ไหนพระตาคตคือบุคคลผู้ที่เห็นความคิดจิตใจที่มันสับสนวุ่นวายหยุดได้ไม่เป็นคนเหลวไหลไม่เป็นคนงมงายอันนี้แหละเป็นเครื่องมัดคือไม่ลืมตัวนั่นแหละเป็นเครื่องมัดของผมเป็นไทยเป็นเครื่องมัดของผมเป็นมนุษย์ เป็นเครื่องวัดของกรมเป็นสาวพุทธคือไม่ลืมตัวรู้สึกตัวตื่นตัวอยู่เสมออันนั้นแหละผู้หญิงก็เป็นได้ผู้ชายก็เป็นได้เป็นพระสงฆ์องค์เลงก็เป็นได้ถือศาสนาไหนนุ่งผ้าเสียอะไรก็เป็นได้เรื่องนี้ดังนั้นขอให้พวกเราทุกคนจงสนใจกับเรื่องนี้ให้มากถ้าเราไม่สนใจเรื่องนี้ให้มากแล้ว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 พูดแลวไม่รู้เรื่องคำว่าไอ้บ้านเหมือน ก, นกันกับทุกวันนี้เราศึกษาหลักพุทธศาสนาไม่รู้เราก็เห็นพระพุทธรูปมากๆเห็นวัดมีกุฏิมากๆศาสนาจเจริญว่าอย่างไร ม, มันจเจริญวัตถูุจิตใจคนมันต่าทำให้เศรษฐกิจศูนย์หายไปและทุกข์ก็ตามมาเป็นสนวนตามมาจริงๆ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 พระพุทธเจ้าไม่ใช่เกิดในเมืองไทยเกิดในประเทศอินเดียโน้นเราเห็นว่าผู้ใดคิดอย่างนั้นแล้วก็ดีไว้ระพพระลูกเกิดขึ้นมาเมื่อสมัยปิดมาเลื่อมใสพุทธศาสนาคนเหล่านั้นเขาเลื่อมใสรูปเทวดาเขาอาศัยเทวดาลูกตั้นเทวดาเขาทําลูกตั้นเทวดาไว้เขาไว้กราบไหว้เป็นที่ระลึกเมื่อเขามาเลื่อมใสพุทธศาสนาเขาก็อยากทํา รูพ้พระพุทธเจ้าดิมะมาเป็นที่ระลึกเท่านั้นเองมันเป็นสมมุติเดี๋ยวนี้ก็ติดสมมุติกันใหญ่แล้วปุกเสกผ้าเครื่องราขงของขังกันเนี่ยมันไม่รู้อันมันไม่รู้เพราะเรื่องอะไรมันไปรู้หัวฝังเข้ากับตำรามันไม่ได้ใช้สติปัญญามันอ่านหนังสือน้อยเกินไปอันว่าอย่างนั้นดังนั้นการเจริญสตินี่จึงมีค่ามีคุณมากไม่คิดว่าไม่มีใครที่ไหน สามารถตีราคาเป็นเงินเท่านั้นเป็นทองคำเท่านั้นไม่มีไครเลยดังนั้นสติกับความระลึกได้จึงมีค่ามากทำให้บุคคลผู้เจริญสติระลึกได้ผู้มีความรู้ตัวเป็นพระอรียบุคคลใด้จริงๆหากพระสงฆ์ทำก็เรียกเป็นพระญาสงฆ์ถ้าโยมทมก็เรียกเป็นพะระอรญยบุคคล หั่นต้นเรียกพะโสดาบันบุคคลว่าอย่างนั้นคำพะโสดาบันอยู่ที่ไหนมีเครื่องมัดอะไรเหมือนกับครูผู้ใหญ่บ้านกำ น, นันไหม่าไม่มีเลยแล้วบัดนี้ไงสมัยเขาพูดว่าต้องศีลเป็นเครื่องวัดศีลอยู่ที่ตรงไหนศีลเขาบอกว่าเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยาบกิเลสอย่างยากยาอยู่ที่ไหนคืออะไรรู้ไหมไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วจะรู้อะไรที่ไหนไม่รู้ เขาเรียกว่าตาหอดคันซางออย่างนั้นนี่นเป็นอย่างนั้นสิ้นเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบต้องรู้สมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางต้องรู้ปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่า ง, งละเอียดต้องรู้รู้ได้เพราะสติคมลึกได้สมปาชนะอมรู้ตัวนี้เองอเมื่อเราจเจริญสติแบบนี้แหละมันสามารถที่จะนำตัวของเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างแท้จริง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 ไม่ต้องเอาเขาเรียมาพูดให้กันฟังเป็นอย่างนั้นเราทุกๆคนจงพยายามศึกษาเจริญสติคมนละลึกได้สำปราจสียงคมรู้ตัวเป็นคำพูดแต่เมื่อควมจริงแลวนั้นให้มีสติหรือว่ากำหนดรู้การเคลื่อนไหวทางรูปกายภายนอกที่เป็นวัตถุมองเห็นด้วยตาจับถูกด้วยมือและให้มีสติคอยกำหนด ความคิดเป็นตัวสำคัญมันคิดขึ้นมาต้องรู้ต้องเห็นอันนั้นเรียกว่าสันติติโกอันผู้รู้จะพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบการและเวลาจะเป็นยุคในสมัยใดก็มีความคิดถ้ามีจิตมีใจทุกคนต้องมีนึกมีคิดดังนั้นขอให้ทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นจิตใจที่สะอาดจิตใจที่สว่างจิตใจที่สงบ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 ทุกคนไม่คิดไม่ทำให้จิตใจสะอา ด, ดจิตใจสวา่างจิตใจสงบนั้นปรากฏขึ้นมาได้เขาเรียกว่าพุทธศาสนายัางไม่จเจริญขอให้ทุกคนทุกคนจงตั้งหน้าตั้งตามุ่งเข้าไปตรงนี้ให้ได้พบเอาในชีวิตนี้จงทุกทุกคนเธอพระนาคุรว า, าจารย์และเพื่อนสหธรรมนี้ได้ขอจเจริญพรญาติโยมนักปฏิบัติธรรมทุกท่าน พวกเราซึ่งเป็นผู้ที่มีความสนใจใส่ในการปฏิบัติการปฏิบัติในแนวนี้เป็นสิ่งที่ให้เราสังเกตได้ง่ายคือการปฏิบัติให้เกิดความรู้รู้ที่จะให้เราแก้ทุกนันเบื้องแรกให้รู้สึกรู้นี่คือรู้สึกถ้าใครยังไม่รู้สึกคนนั้นปฏิบัติทำไม่ได้ถ้าใครมีความรู้สึกอยู่คนนั้นปฏิบัติทาได้ เข้าใจได้รู้ได้เพราะว่าเราเป็นผู้ที่ยังมีความรู้สึกอยู่เรียกว่าเป็นบินอยู่ชนอยู่เราสามารถรู้ได้การปฏิบัติในแนวนี้มันเป็นการกระตุ้นให้เราเกิดความตื่นตัวอยู่เสมอในขณะที่เรากำหนดรู ก, การเคลื่อนไหวเราจะพลิกมือขึ้นยกมือขึ้นเคลื่อนไหวแตมาเนี่ย ในการรู้สึกอยู่อย่างนี้แหละมันจะเป็นการผูกสภาวะจิตของเราให้อยู่กับสิ่งเหล่านี้มันเป็นลักษณะของการตื่นตัวอยู่เสมอมีทั้งสติมีทั้งสมรยนยะพร้อมแล้วจิตของเราเนี่ยสงบจากอารมณ์ไปในตัวถ้าเราทําให้ต่อเนื่องกันเป็นนา น, านถ้าทําต่อเนื่องกันเป็นนา น, านเนี่ยความรู้สึกความอตื่นตัวของเราเนี่ยติดต่อกันมากเข้ามากเข้าเนี่ยอารมณ์จะมาเกิด ขึ้นกับใจเราเราจะรู้ทันทีเนี่ยถ้าเรากำหนดรู้ตัวเราแล้วสิ่งที่มากระทบมันจะรู้แล้วมันจะรู้ว่าอันนี้มันมาจากไหนอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันจะรู้หน้แต่รู้ตอนแรกนี่ท่านบอกว่ายาพึ่งไปรู้บบกรุงแต่งมันว่ามันเป็นอะไรมายังไงยังไงไม่ต้องไปพิจารณาเพียงแต่พอมากระทบกำหนดรู้ในขณะเดียวกันมัน จิตขอเราเนี่ยจะจะคิดรปรงแต่งเรามื่รีบกลับมาดูความรู้สึกการเคลื่อนไหวอีกทีหนึง่งเคลื่อนไหวอยู่ทุกขณะทุกขณะดูการเคลื่อนไหวรู้พอได้ยินเสียงปุ๊บมันจะรับรู้ทางหูทันทีเนี่ยแล้วเรามาสำรวจรู้รู้การเคลื่อนไหวอีกทีห น, นึ่งเนี่ยให้รู้อยู่อย่างนี้ถ้าเรามองอีกในแง่หนึ่งว่าไอ้รู้ตัวทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยเมื่อมันสะสมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, ม, นมันจะเป็นสภาวะความรู้เช่นที่มั่นคงเข้ามั่นคงเข้า มีพลังงานมากเข้ามากเข้ามากเข้าเราอยา่าไปเข้าใจว่าแค่การเดินจงกรมมีสตินิดหน่อยเท่านี้มันจะช่วยให้เราเข้าใจอะไรได้อย่าไปอย่าไปคิดว่าอย่างนั้นถ้าเราถือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันใหญ่โตมีพลังได้ในอาศัยสิ่ง น, น้อยนี่แหละมันมีบ่อยบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ามากเข้ามากเข้ามากเข้ามันจะเป็นพลังงานของมันเอง แต่ว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ตรวจตาดูว่าเรามีความรู้สึกกับความไม่รู้สึกอะไรมากอะไรน้อยกว่ากันถ้าเราคิดอย่างนี้เราเจนว่าความรู้สึกน้อยกว่าความไม่รู้สึกเราก็พยายามทำความรู้สึกให้มากขึ้นถ้ามีความรู้สึกมากกว่าความเผลอสติเราจะไหลไปสู่ความเจริญทางด้านสติทางด้านบรร ญ, ญาแต่ถ้าความรู้สึกมันมีน้อยกว่าการเผลอสติ นั่นเรียกว่ามันยังจะมันยังจะไหลไปสู่ในทางอารมณ์ที่จะทําให้เราหลงมากขึ้นอยู่ชีวิตเราเนี่เปรียเหมือนตาช่างเปรียบเหมือนตาชั่างถ้าเราหาอารมณ์อื่นมาใส่เรามากไปมันก็จะไหลไปตามอารมณ์ถ้าเรามีตัวเป็นของตัวมากกว่ามีพลังมากกว่าอารมณ์แล้วอารมณ์นั้นน่ะไม่สามารถที่จะครอบงําเราได้เราก็จะไหลเข้าไปสู่การบังคับตัวเองมากขึ้น มันเป็นตัวของตัวมากขึ้นมันเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นได้ว่าในขณะเดียวกันเรานั่งอยู่เนี่ยความรู้สึกส่วนในมากจิตของเราจะไปอยู่กับส่วนนั้นความรู้สึกส่วนไนน้อยจิตของเราก็จะห่างเหินจากสิ่งนั้นอย่างเราสร้างจังหวะในขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยพลิกมือขวาขึ้นจิตจะของเราว่าจะจอมือขวามือซ้ายมันจะลืมไม่มีความหมายแต่พอมากําหนดมือซ้าย มือขวาจะมีความรู้สึกอย่างนิดเดียวมือซ้ายจะมีความรู้สึกมากแล้วจิตขเขาอาจะให้ความสําคัญในส่วนมากเมื่อเราฝึกไปฝึกไปฝึกไปเนี่ยอารมณ์มากระทบเราจะให้ความรู้สึกหรือว่าจะให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวของเรามากกว่าอารมณ์นั้นก็ไม่มีอานาจมันก็จืดจางไปเนี่ยวิธีเียเราสร้างกันว่าเป็นเครื่องต่อรอ ง, งเป็นเครื่องต่อรองกับอารมณ์ที่มากระทบ ถ้าเราฝึกความรู้สึกเคยติดต่อกันมากเข้ามาเขาเกิดความเชื่อเคยกินเนี่ยอารมณ์กระทบมันจะมันจะไม่มีความหมายอารมณ์นั้นก็จะจื ด, จดชืดไปเรียกว่าเราไม่ตกอยู่เป็นตกเป็น ต, ต, ตกอยู่ใต้อ น, นาตของอารมณ์เขาเรียกว่าเราเริ่มมีเกาะแล้วเกาะป้องกันแล้วนมีเกาะป้องกันแล้วถ้าจะพูดในลักษณะนั้นเขาเรียกว่าเสือ้อเกาะกระสุนคืออารมณ์ต่างๆมากระทบไม่สามารถพลุเข้ามาให้เราได้เกิดความทุกข์ได้ มันมีเครื่องป้องกันการสร้างความรู้สึกแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยรู้สึกเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นแหละเป็นการพอเสือ้อเกาะเป็นการสร้างเสือ้อเกาะไม่ให้อารมณ์มาประทบสภาวะจิตของเราได้เนี่ยเราทําเรื่อยเรื่อยเรื่อยวิธีนั่งแบบยุบหนอพองหนอพุทธโธอลาหังเนี่ยถ้าเราทําให้เกิดปัญญาได้เข้าใจได้ก็ดีเหมือนกันแต่ส่วนมากถ้าทําแล้วชอบง่วงชอบไปติดนิมิต ก็ไปเพ้อฝันไปขลังไปศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยส่วนมากเราจะเห็นเหล่าพระที่ทํากรรมฐานพุทธโธก็ตามอารหังก็ตามที่มีการอยากจะแสดงตนเป็นผู้พิเศษเนี่ยชอบแขวนลูกประคำแขวนลูกประคำแขวนลูกประคำไม่ใช่เพื่อยจะนับอารมณ์กรรมฐานหรอกไม่ใช่พิสูจน์แล้วอยากจะให้คนอื่นมองเห็นว่าตนเองเป็นผู้พิเศษท่าทางคงจะขลัง คงจะพอที่จะเรือกร้องสัตย์ายเขามาเลื่อมไสมาว่าเราเนี่เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์วิเศษนี่เขาเรียกว่าความปรารถนาลามกเกิดขึ้นเพราะได้แขวนลูกประคำหรือภาษาว่าเราพูดง่ายๆว่าพวงหมากแทนเนี่ยพวงหมากแทนแขวนขอยดำๆมันเป็นพวงยาๆบางองคศีพวงห้าพวงหกพวงเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าทําเพื่อจะหลอกลวงเขาเพื่อจะให้เขามองเห็นว่าตนเองเนี่เป็นผู้สนเกลกมาฐานเห็นผู้ขอนลูกประคำเขาเลียกาพระกมามฐานแล้ว ที่ไหนได้มันไม่ใช่กรรมฐ า, านอ่ะมันเป็นบุคคลผู้ที่หลอกลวงต่างหากน้อยหนักน้อยนะที่จะเอาไปนับบริกรรมกรรมฐ า, านเนี่ยเครื่อน้ากถ้าทำพุทธโธก็ตามอรหังก็ตามถ้าไปในลักษณะที่จะขังแล้วเอาแล้วเรานี่ไม่เอารูปลักษณะเรานี่เอาปัญญาเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาไม่ใช่ศาสนาแห่งการหลอกลวงไม่ใช่ศาสนาแห่งการเลือกร้กองความสนใจศรัทธาจากใคร ทำให้เราเนี่ยมีสติขึ้นมาให้เราเกิดปัญญาขึ้นมารู้แจ่มแจ้งในสิ่งนั้น mm hmm. ก่อนอื่นที่เราจะแจ่มแื้องในในสภาวะจิตนะเรต้องแจ่มแจ้งในในสภาวะ ก, กายก่อนถ้าเราไม่รู้กายเคลื่อนไหวใจของเราไม่ได้เกิดจ่อไม่ได้ทีจะละาว่าไอตัวเคลื่อนไหวคือสภาวะ ก, กายสิ่งที่ไปกาหนดรู้การเคลื่อนไหวคือสภาวะจิตในขณะใดเรารู้สึงอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าตอนนั้นมีสติสัมปชัญญะ ควบคุมสภาวะจิตอยู่กับการเคลื่อนไหวเนี่ยเขาเรียกว่ามีอารมณ์เดียวตอนนี้เป็นอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวคือคือไม่ได้กําหนดคือมีได้การสร้างจังหวะในอย่างหนึ่งจิตใจมันคิดเลื่อยไปอันนั้นก็เรียกว่าจิตใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะตอนนั้นเรียกว่าไม่ได้กําหนดธรรมะที่เป็นรูปธรรมไม่ได้เห็นรูปธรรมเคลื่อนไหวไม่เห็นรูปธรรมเคลื่อนไหวถ้าเราเห็นรูปธรรมเคลื่อนไหวแล้ว ก็เห็นใจคิดนึกได้อย่างไรไม่ได้ไม่เห็นใจคิดนึกถ้าเราเห็นการเคลื่อนไหวของกายอยู่เรื่อยเรื่อยเราก็จะเห็นใจคิดนึกได้เพราะถ้าเห็นการเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยเรืยเรื่อยเรืยเนีย่ยพอใจมันจะคิดนึกมันจะต้องลืมสภาวะการเคลื่อนไหวของกายถ้ามันคิดนึกเรื่องอื่นนอกตัวเราเนะะี่ยแล้วเราจะรู้ทันเดียวเออมันคิดเรื่องนั้นแล้วมันลืมตัวนี้แล้วเมื่อเรากลับมาดูตัวนี้ปั๊บเราจะเห็นว่าเมื่อ<ๆ>กี้นี้มันจะคิดเรื่องนั้น อย่าเริ่มจิตมันจะไปอีกทีหนึ่งเราก็พยายามจับความรู้สึกให้มาเข้ามาเข้าไอ้ความรู้สึกอันนั้นเป็นสิ่งที่มีทุกคนทุกคนจะเห็นได้ว่าเราเรารู้สึกหรือไม่รู้สึกนี่เป็นสัจธรรมไม่มีใครหลอกลวง ไ, ไม่มีคีใครโกหกหน้าว่าเรามีสติแล้วก็รู้จักเราไม่มีสติเราก็รู้จักเนี่ยให้เราศึกษาเรื่องนี้และอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้นี้อาจารย์ดาได้กล่าวมีคนมาถามว่า ผูปฏิบัติธรรมกระมาฐานในแนวของหลงพ่อเทียนมีใครที่หนักแน่นมั่นคงในพรหมจรรย์บั่งที่จริงพรหมจรรย์ไม่ใช่รูปแบบพรหมจรรย์ไม่ใช่รูปแบบเราจะไปยราจะไปเข้าใจว่าคนอื่นเป็นคนหนักแน่นคนอื่นเป็นคนมั่นคงไม่มีความหมายสําหรับเราหรอกนะอย่างที่เขาจะมาถามถึงเขาว่าถึงเราจะว่าใครต่อใครก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่พระพุทธเจ้าให้เราได้รู้พรหมจรรย์กับเรามันบริสุทธิ์ดีไหม โทมมจจัน์นนี่อะนะคือแบบแพลงการปฏิบัติคือมีสติสมัชัญญาในขณะใดเรามีสติสมัชัญญานั้นแหละโทมมัจจันอยู่ในสติสัมัชัญญานั่นแหละมั่นคงแล้วหนักแน่นแล้วถ้าเผลอสติเวลาใดถึงจะแต่งตั้งให้ว่าใครๆต่อใครทำมานานกระวนะเวลาใดเผลอสติเรียกว่าไม่มั่นคงในโทรรมมัจจันโทมมัจรย์คือจิต บ, บริสุทธิ์เนี่ยในขณะใดเรามีสติสมัชัญญาจิตของเราบริสุทธิ์ไม่มีอารมณ์ปรุงใจไม่มี ทีม่มารมณ์ปรุงใจนั่นแหละคือจิตบริสุทธิ์เรียกว่าพรหมจรรย์ถ้าใครทําให้สิ้นสุดไม่มีอารมณ์จะมาปรุงใจได้ตลอดไปมีแต่สติสมัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลานั้นเรียกว่าจบพรหมจรรย์จบพรหมจรรย์ไม่ได้หมายถึงนักบวชไม่ได้หมายถึงผู้หัวโล้นผาเหลืองพรหมจรรย์เนี่ยเราจะไปเอาบุคคลให้ถือว่าพรหมจรรย์นั้นเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ภายในจิตทุกคนมีจิตทุกคนสามารถทชำระจิตให้บริสุทธนะิ์ได้ แล้ความบริสุทธิ์ของจิตพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามีอยู่แล้วในภาหิณก็ยังกล่าวไว้ว่าอาจิตของเราบริสุทธิ์เนี่ยประพัสรามิตรทางจิตปังเนี่ยคือจิตเดิมแท้ของคนทุกคนบริสุทธิ์ที่ไม่บริสุทธิ์เพราะอารมณ์มาปรงแต่งเราเผลอสติอารมณ์กระทบเราเอาอารมณ์นั้นมามาอยู่ในใจของเราอารมณ์เกิดขึ้นภาในใจเราไม่กําหนดความรู้สึกและไม่สลัดอารมณ์นั้นออกไปเที่ยวพระมอาจารย์ก็เลยไม่บริสุทธิ์ แม้แต่ตัวกระผมเองปฏิบัติมานานก็ตามเวลาใดเผลอสติตอนนั้นไม่ใช่โธมจันแล้วโธมจันไม่บริสุทธิ์แล้วนะไม่บริสุทธิ์แล้วไม่ว่าต่อใครต่อใครละ่ะหลายคนอืมที่ยังไม่มีสติสมบูรณ์แบบพระอาหารหันต์ทั้งหลายนะโธมจันยังไม่บริสุทธิ์ที่หนักแน่นมัน่นคงไม่มีอะไรจะหนักแน่นได้วกว่าสติสัมปชัญญะในโธมจัน สติเท่านั้นแหละจะทําให้พรหมจรรย์บริสุทธิ์สติเท่านั้นแหละจะทําให้หนักแน่นในรพรหมจรรย์จิตของเราเนี่ยจะอยู่กับความบริสุทธิ์ได้ตลอดเนี่ยเราอย่าไปเอาบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราดูที่ตัวเราแล้วเราจะได้ประโยชน์เนี่ยให้เอาอย่างนี้แล้วทีนี้เรามาปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์นะเนี่ยตอนนี้อยากจะขอกล่าวเรื่องคนโบราณพูดบางคําให้เราฟังมั่ง บางคนนะ่ะท้อแท้ใจมาอยู่อย่างนี้มันจะทําให้เกิดความสุขได้อย่างไรลําบากอย่างนี้คนโบราณพูดไม่ใช่คําเล่นๆ น, นะใครมีความหมายมากพูดเป็นภาษาอีสานเพราะคนอีสานเนี่ยว่าภาษาเป็นภาษาอีสานมีความหมายลึกซึ้งนะั่ท่านว่ามีความหมายลึกซึ้งมากคือเกี่ยวเนื่องกับเรื่องออ่าเป็นปริศนาธรรมของคนอีสานนะ ว่าเป็นปริศนาธรรมของคนที่สาร อ, อยากมีสีมีสันที่นอนดินเกลื่อนีน่ฝุ่นอยากมีสีมีสันที่นอนดินเกลื่อนขี่ฝุ่นอันนี้เอาตอนเดียวเอาตอนเดียวคือจะอธิบายมากมันจะทําให้เคลอยากจะบริสุทธิ์เนี่ยหรือว่าอยากจะมีสีมีสันที่นอนดินเกิดที่ฝุ่นหมายถึงสิตของเราจะไม่เกิดความเศร้าหมองถ้าเราอยู่กับธรรมชาติอย่างหนึง่ง อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยบริสุทธิ์เนี่ยถ้าพูดอย่างหนึ่งว่าก่อนที่ท่านจะบริสุทธิ์ท่านหาสิ่งไดล้อมที่ดีคือไปอยู่ที่ป่าอย่างพวกเรามาปฏิบัติดูที่ป่าล่าป่าเนี่ยเรามาอย่างเนี้ให้เรียกว่าหาสิ่งได้ร้อมที่ดีนอนดินเกีลือที่ปุ่นจะเกิดความบริสุทธิ์จะเป็นคนมีศีลอ่าถ้าเราฝึกกันจริงๆใี้พอใจให้เกิดความพอใจใมีธรรมชาติเอื้อมมือให้จิตของเราเนี่ยเกิดปัญญาขึ้นหน้าคือเสียสละไม่ได้จิตมีความสุข ไม่ไดี ค, ดวความเพลิดเพลินในความสุขสนุกสนานพระพุทธเจ้าของเราแตก่อนอยู่ในประสาทสามฤดูร้อนก็ไม่ร้อนฤดูหนาวก็ไม่หนาวฤดูฝนก็ไม่มีเป็นโรคไฟไขเกิดเพราะอะไรเพราะว่ามีปราสาทเพื่ออนุไวยให้แต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าจิตยังไม่บริสุทธิ์นะยังเป็นสิทธะอยู่ยังมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นกันในใจยเยอะพอตอน